วันเวลาก็ผ่านไปตามํำดับเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับเวลาของชีวิตก็เช่นเดียวกันผ่านไปแล้วก็หมดไปทำให้เวลาที่เหลืออยู่มีน้อยลงไปตามลำดับ เวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในการศึกษาก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับเช่นเดียวกับกำลังวังชาของร่างกายก็ยจะอ่อนลงไปตามลำดับเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันอยู่เนือง เพื่อจะได้ไม่ประมาทเพื่อจะได้รีบปฏิบัติรีบศึกษาก่อนที่เวลาจะหมดไปก่อนที่กำลังวังชาจะหมดไปเพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ แน่ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนอันตรเสริจของพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่เพราะนำที่ทรงได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมีอายุพระพุทธศาสนาจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีด้วยกันนี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว 2,554 ปีด้วยกัน เวลาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งท่านก็ทรงแสดงว่าไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะจะต้องไปใช้บาปไปรบบับปุ่นก่อนซึ่งอาจจะเป็นเวลานา น, านกว่า 5,000 ปีเมื่อกลับมาแล้วก็จะไม่ได้คบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหมือนยุคที่ไม่มีแสงสว่าง ของดวงทย์ต้องอยู่ในที่มืดเช่นตอนกงคืนถ้าไม่มีแสงสว่างจะทําอะไรก็ยากลาบากจะไม่สามารถทําอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องจะทําแบบผิดๆถุกๆยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นจะไม่มีแสงสว่าง แห่งธรรมนำพาสั์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญความลดทนจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องเป็นการศึกษาด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงต้องศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ผิดผิดถูกถูกแต่เนื่องจากพระบรารมีที่ได้ส่ ง, งเรรนมาอย่างมากมายทำให้พระองค์เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถพบแสงแสงสว่างแห่งธรรมหรือพบทางที่จะนำพาไปสู่การหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีแสงสว่างนำทางเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเราคือการศึกษาและการปฏิบัติทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง ก็คือพระ อ, อริยสัจสทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นกิจที่ผู้ที่ปรารถนาความดพุพนผู้ที่ปรารถนามรผล น, ผนิพพานจะต้องปฏิบัติกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาพราะองค์ทรงตรัสไว้ว่า ทุกที่ต้องศึกษาต้องกำหนดรู้พระองค์ได้ศึกษาแล้วสมุดไทยที่ต้องละพระองค์ได้ทรงละแล้ววิโรดความดับทุกที่ต้องทำให้แจง้งพระองค์ได้สรงทำให้แจ้งแล้วมัดที่ต้องเจริญให้มากพระองค์ได้ทรง จัดเลยอย่างเป็นที่แล้วจึงทำให้พระไทยของพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปทรงบรรลุถึงพระนิพพานที่เป็นปรมังสุขขังที่เป็นอารมณ์สุข นีคือสิ่งที่เราต้องทําให้รู้แจ้งเห็นจริง <Fair. S 1> ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเราอย่าไปหาพระอริยสัจสีที่นอกใจเพราะที่ข้างนอกใจนี้ไม่มีพระอริยสัจสีพระอริยสัจ ส, สนี้อยู่ภายในใจอยู่ในผู้รู้ ที่ยังถูก อ, อำนาจของโมหะความหลงอาวิชาความมืดบอดหลอกใ ห, ไหกกใ้ไปหาความสุขหรือความดับทุกข์ภายนอกจิตใจเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่จะดับ ความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่หามาได้มากเท่าน้อยเพียงไรความทุกข์ใจก็ยังไม่หมดไปและจะไม่มีวันหมดไปเพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจคือสมุทัยนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรส ปุถะพระ่างนั้นการดับทุกข์ด้วยการใช้กา ร, รมาสุขคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงไม่ใช่เป็นทางแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงได้พิสูจน์มาแล้วด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ทรงเคยมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย และในประทัยของพระองค์ก็ยังมีความทุกข์อยู่จะมีความสุขหรือความทุกข์ที่หายไปก็เพียงช่วงคราวในขณะที่ได้สืบได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดถะแต่พอผ่านไปแล้วความทุกข์ใจก็ยังปรากฏขึ้นหน่อยอีกเพราะสมุทัย ไม่ได้รับการละนั่นเองไม่ได้รับการลบทําลายสมุมไทยก็คือปัญหาทั้ง3การะปัญหาความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะภาวะปัญหาความอยากในความอยากมีอยากเป็นวิภวะปัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น นี่แหลคือต้อนเหตุของความทุกข์ของสัตว์ทั้งสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นเทศเป็นคมหรือสัตว์นรกก็มีเหตุอันเดียวกันคือมีสมุทยัยอันเดียวกันมีตัณหาทั้งสามนี้ การมาตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาผู้ที่ไม่มีความทุกข์เช่นพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านได้ละตัญหาทั้งสามนี้ไดละการมาตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาจึงปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมาได้ทำนิโรธแท้แจ้งนิโรธก็คือความดับของทุกข์ ถ้าทุกเป็นเหมือนไฟฟืนที่ทำให้เกิดไฟก็เป็นสมุทไทยถ้าเราเอาฟืนออกจากกองไฟหรือเอาน้ำไปดับฟืนไฟก็จะต้องดับน้ำที่เราใช้ดับไฟหรือใช้ดึง ดึงฟืนออกมาจากกองไฟก็คือมัคมัค ก, ก็คือทางแห่งการดับทุกข์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์พร้อ ง, งสแสดงว่ามัคเป็นองค์มัคที่มีองค์แปดเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความคิดชอบ สัมมากรรมโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาวาญโมสัมมาอาชีโวความ อ, อาชีพชอบสัมมาวาญโมวความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมัน่น ของใจของจิตชอบนี่คือมัตตหรือทางที่จะเป็นเครื่องมือดึงฟืนออกจากกองไฟเป็นเครื่องมือที่จะละสมุทยัยละปัญหาทั้งสารลกามตัญหาเภาวะตัญหาและวิถวตัญหาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําได้ นอกจากมรคนี้เท่านั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์เจริญให้เต็มที่ด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสอนของระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแล้วก็จะได้ มีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายา ม, มุสัมมาอาชิโรสัมมาสติและสัมมาสมาธิและเมื่อมีครบทั้งแปประการก็จะมีมรรคผลนิพพานตามมาตามลำดับต่อไปมีนิโรธคือการดับทุกข์มีการละสนุไทย มีการรู้ทุกรู้ว่าทุกนั้นอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ภายนอกรู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกคือสมุทยัยก็อยู่ภายในใจรู้ว่าถ้าต้องการจะดับทุกก็ต้องละสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ แล้วก็รู้ว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการดับทุกข์ก็คือมรรคเมื่อได้เจริญมรรคอย่างเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับของทุกข์ก็จะเป็นผลเกิดขึ้นมานี่คือกิดในพระอริยสัจสีของผู้ที่ปรารถนามรรคผลไม่ผ่านจะต้อง ใช้พระอริยสัจสีนี้เป็นแนวทางของการดาเนินของการปฏิบัติและเป็นที่วัดผลของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วเจริญก้าวหน้าหรือถดถอย <c oughs> ก็ให้ดูตรงที่อริยาาสัจสี่ีดูว่าทุกมากขึ้นหรือทุกน้อยลง สมุทัยคือตัญหามากขึ้นหรือน้อยลงความดับทุกมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงมักที่มีองศาเนี้มีมากขึ้นหรือมีน้อยลงในใจมักที่มีองศาเนี้ต้องมีในใจไม่ใช่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่มีในหนังสือมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาหรือไม่ เช่นสตินอามีสติอยู่กับเราตลอดเวลาหรือไม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่แหละเป็นตัววัดที่สำคัญที่สุดก็คือสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิปัญญาสีก็จะไม่มาเพราะจะไม่สามารถที่จะควบคุมความคิด ให้อยู่ในทำนองของทำได้เช่นคนที่เสียสติมักจะทำอะไรที่คนทั่วไปจะรังเกียจที่เราเรียกว่าคนบ้าเขาไม่มีสติที่จะควบคุมความคิดของเขาให้เป็นความคิดที่ถูกต้องเขาไม่สามารถควบคุมความเห็นของเขาให้ถูกต้อง เขาเลยปล่อยให้การกระทาการพูดของเขาไม่ถูกต้องดังนั้นสตินี้จึงเป็นองค์มรรคที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่สามารถดับทุกขก์ได้ด้วยสติฆ่ากิเลสได้ด้วยสติก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติเครื่องมือที่จะใช้ในการฆ่ากิเลสก็จะไม่เกิดขึ้น เช่นสมาธิและปัญญาสมาธิเองก็ไม่สามารถฆ่ากิเลสได้โดยลำพั ง, งต้องปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้แต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกหลังที่จะฆ่ากิเลสได้สมาธิก็จะไม่มีถ้าไม่มีสติคอยดึงใจไว้ ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆดังนั้นการปฏิบัติจึงสำคัญที่สุดก็คือสติครูบาจานี่คอเน้นเรื่องสติคอยดูการเคลื่อนไหวต่างๆของลูกศิต์ลูกหาว่ามีสติหรือไม่พอเห็นว่าไม่มีสติก็จะส่งก็จะเตือนอยู่เสนอ ด้วยวิธีต่างๆพูดจะดีบ้างดูดาว่ากล่าวตักเตือนบ้างเพื่อที่จะได้มีสติที่ก็เลยได้ฟังธรรมของจริงเห็นธรรมของจริงคือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของธรรมชาติคือฝนเห็นนัตตา คือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเาได้แล้วก็เห็นธรรมเตอริยะสัจ ส, สีภายในใจของเราว่าใจของเราโกวนเหงิดหรือสงบหรือไม่หกวนเหงิดถ้าโกวนเหงิดก็แสดงว่ามีสมุ ท, ทยัยมีความอยากให้ผอยู่ถ้าไม่มน่วยเหงิด ก็แสดงว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมใจให้ปล่อยวางความอยากได้นี่คือหลักของพระอริยาาสัจสิถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกเช่นไปสั่งให้ฝนหยุดเป็นต้น ไม่ต้องไปสั่งให้สามีภรรยาดีกับเราไม่ต้องไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ดีกับเราเรามาสั่งใจเราดีกว่าสั่งใจเราอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเพราะนั้นปัญหาก็จบเราแก้ปัญหาผิดจุดกันเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ใจเราเราไปแก้ที่ข้างนอกกัน ร้อนก็ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดหนาวเวลาอาบน้ำก็ซื้อเครื่องต้มน้ําร้อนมานี่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจความไม่อยากร้อนหรือความไม่อยากหนาวต้องฝึกทางใจให้อยู่กับ ธรรมชาติไม่ได้อยู่กับความจริงความจริงเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราจะไม่ทุกข์ใจเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อย่าไปอยากให้ท้อหายไปอย่าไปอยากเปลี่ยนอิเลีบท ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาข่มใจสอนใจถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติสมาธิคือบริกรรมพุโทโธพุธโธไปปล่อยให้เขาเจ็บไปเรามีหน้าที่บริกรรมเราก็บริกรรมของเราไปอย่าไปอยากรรให้เขาหายพอใจเราสงบแล้วเขาจะหายไม่หายไม่เป็นปัญหาขณะที่เราบริกรรม มันก็ไม่เป็นปัญหาตอนที่เราไม่บริกรรมนั่นแหละเป็นปัญหาพอเราไปเห็นความเจ็บแล้วอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะนั้นจะเกิดความเจ็บขึ้นมามากขึ้นเกิดความทออมารใจเนี่ยนี่คือทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปอยากเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราจเจริญมาก ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมีเรื่องพุท ธ, ธานุสติถ้าเรามีสติควบคุมใจให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธเดี๋ยวใจก็สงบเป็นสมาธิขณะที่บริกรรมความเจ็บก็ไม่มาลบกวนใจแ ล, และเวลาจิตสงบบางทีจิตก็ไม่รับรู้ความเจ็บเลยร่างกายหายไปความเจ็บหายไปหรือถ้าไม่หาย จิตก็นิ่งสงบไม่เดือดร้อนเฉยๆเหมือนที่เมื่อกี้เราทําสมาธิกันผลจะหยุดหรืไม่หยุดเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ทําสมาธิของเราไปทําใจให้สงบถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีปัญญาเราก็ไม่ต้องบริกรรมทุทโธเราเพียงบอกใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะตกก็ปล่อยมันตกไป มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เช่นเดียวกับเวทนาทุกเวทนามันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดเราไปห้ามมันไม่ได้เราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ไปสร้างสมุทยัยคือสร้างความอยากให้ทุกเวทนาหายไปดับไปนี่แหละคือหลักของอ ร, ริยสัจสี ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วก็เท่ากับว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นพระอริยสัจสี่นี่แหละคือการเห็นธรรมไม่ได้เห็นอะไรเห็นพระอริยสัจสี่แต่ธรรมันมีหลายขั้นถ้าขั้นพระโสดาบันก็ต้องเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่ใช่ตัวเรา ไม่เทีย่ยงต้องปล่อยวางอย่าพยายากให้เขาเป็นอย่างอื่นเวลารูปคือร่างกายแก่เจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเวลาที่เคเวทนาเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ถ้าเราเห็นได้ยอมรับความจริงทุกก็จะไม่เกิดขึ้นมาภายในใจเพราะมีมัจคอยคุมไว้อยู่มีสติปัญญาสมาธิคอยควบคุมไม่ให้เกิดสมุทัยความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็ดอยากไม่ตายอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะ มีดวงตาเห็นทึงขั้นโสดาบันถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องภายนอกเช่นรลาบยศสรรเสริญสุดอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าถึงขั้นโสดาบันแต่ก็จะอยู่อย่างสุขสบายไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของลาบยศสรรเสริญุขทางตางหูจมูกนิจตาจะลาบจะเจริญหรือเสือ่อมก็ไม่เป็นปัญหา ยศจะขึ้นหรือลงก็ไม่เป็นปัญหาจะมีคนสรรเสริญหรือนินทาก็ไม่เป็นปัญหาจะมีสุขมีทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโขสัพพก็ไม่เป็นปัญหาเราเราเข้าใจหลักของความทุกข์แล้วหลักของอริยสัจสีว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของเราเองแล้วถ้าเราต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องดับ ที่ใจเราด้วยมาเช่นเราทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสฝนอากาศเพราะเราอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีเงินหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายออกไปไม่ได้ถ้าเรายังอยากจะออกไปเราก็จะหมุนหงิดใจว้าเวเศ้าซ้อยน้อยเหงาถ้าเรา เียใจว่าไม่ไปก็ได้อยู่บ้านก็ได้นั่งทำสมาธิไปเพราะจิตสงบครับความว้าเหวคือความทุกข์ ก, ก็จะหายไปเพราะสมุทัยความอยากนั้นได้ถูกละนักไปด้วยการทำจิตให้สงบนี่แหละถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ เราจะไม่ทุกข์หรือถ้าทุกข์เราก็จะแก้ได้ไม่ต้องใช้อะไรแก้ไม่ต้องใช้เงินแก้ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆภายนอกมาแก้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับรากาศไม่ใช่ต้องไม่ไม่ต้องใช้เครื่องทาน้าร้อนมาแก้เราแก้ด้วยสติปัญญาสมาธิแก้ด้วยมรรคนี่นี่แหละคือของวิเศษที่จะ ดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เลยก็คือมรรคนี้เองเพราะพระพุทธเจ้าจึงนงงสอนให้เราเจริญมรรคให้มากเจริญให้เต็มที่แล้วเราจะมีเครื่องมือดับทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อกีได้พูดถึงสติ ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถพิจารณาใจรักอนิจจทุกขังอนัตตาได้ไม่สามารถมองเห็นทุก์ได้ไม่สามารถกาหนดรู้ทุกได้ไม่สามารถละสมุทัยได้ไม่สามารถทำนิโรธให้แจงด้ ดังนั้นมรรคจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมรรคต้องเจริญให้มากหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองถ้ามีมรรคแล้วทุกสมุทัยที่โลกนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเรามีสติปัญญาเราก็จะรู้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลานุ่หนิดลาคาญใจเศร้าซร้อยห้อยเหงา เราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เกิดความทุก์ใจขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะถามตัวเลยว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรพอพิจารณาดูรู้แล้วว่าอ๋อเกิดจากความอยากนี้เราก็ตัดมันเสียละมันเสียยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ต้องอยู่บ้านไม่สบายก็ต้องอยู่ไป อย่าไปริ่นรมย์อย่าไปอยากออกจังอยู่กับความจริงตอนนี้สามีภรรยาทิ้งเราไปอยู่คนเดียวก็ต้องอยู่ไปไม่ต้องไปวิ่งตามไปขอร้องให้เขากลับมาพออยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาปัญหาของเราเราไม่คิดอย่างนั้นกันเราไปคิดเขาว่าเป็นนิจจังเป็นอัตตา คิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปจนวันตายคิดว่าเขาเป็นของเราอยู่ภายใต้คําสั่งของเราพอเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นตามความจริงของเขาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพราะอยากจะให้เขากลับมาอยากจะให้เขาเป็นเหมือนเดิมแต่เขาเป็นอนิจจาอนิจจ์เขาไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วเขาเปลี่ยนไป แล้วเราก็สั่งให้เขาเป็นไม่ได้เพราะเขาเป็นอนาตาัตตาครนนี้แหละถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วการดำเนินชีวิตของเรานี้จะเป็นไปได้อย่างสุขสบายราบรื่นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี้แก้ได้หมดเพราะเราแก้ข้างในเราไม่ไปแก้ข้างนอกถ้าแก้ข้างนอกนี้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ บางทีก็ไปอ้อนวัวให้เขากลับมาอยู่กับเราได้บางทีเขาก็กลับไม่กลับแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราว่า อ, อ๋อเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาไปก็ปล่อยเขาไปเราไปสั่งให้เขากลับมาไม่ได้แต่เราอยู่คนเดียวได้ได้อยู่อย่างมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาเสียดช่างไปเพราะเราไม่ต้องมาห่วงมาห่วง มาวิตกกังวลกับเรื่องของเขาอีกต่อไปเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนี่คือธรรมะที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้พ้นทุกข์กันอยู่ตรงนี้อย่าไปหลงประเด็นอย่าไปนั่งแล้วเห็นสวรรค์เห็นนรกมีฤทธิ์มีเดชรวดึกชาติได้ เรื่องราเวเหล่านี้รู้ไปไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มาดับทุกข์ต้องให้รู้ที่ใจรักนีน้ทำไมอันนี้จังทุกขังก็คืออริยสัจอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เขาต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของเขาไม่ช้าก็เลยนี่คือสิ่งที่เราขาดไปมาก เราไม่เจริญกันเราไม่คิดกันอยู่เรื่อยๆพิจนารณากันอยู่เนื่อเนือก็เลยหลงสูกความหลงมาหลอกให้ไปคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเขาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเขาจะให้ความสุขกับเราตลอดพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ทุกข์ทนมานใจ บางครั้งถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่รู้จากวิธีแก้ปัญหาคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่ปัญหาไม่จบเพราะปัญหามันอยู่ที่ทุกขสมุทัยนิโรธมั้ถ้าไม่มาศึกษาไม่มาเจริญมกักคฆ่าตัวตายอีกห้าพันชามันก็ยังไม่มแล้วมันจะติดเป็นวิสัยไป ไปเกิดชาติหน้าไปเจอปัญหาแบบนี้ก็จะท่าตัวตายอยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยอริยสัจ ส, สีแล้วก็จะหมดปัญหาเพราะจะไม่กลับมาเกิดเีกจะไม่ต้องมาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ดังนั้นก็ขอให้พวกเราตรงพิจารณา อริยศัสตร์สียเรื่อยๆโดยเฉพาะมากก็คือการปฏิบัติ ส, สติสมาธิปัญญาเพื่อเราจะได้มีเครื่องมือคอยสอดส่องดูแลใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้กำลังทุกข์หรือไม่ทุกข์กำลังอยากหรือไม่อยากถ้าทุกข์ก็จะได้แก้ทันทีได้ไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอก ไม่ต้ไปแก้ที่ฝนฟ้าอากาศไม่ต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้แก้ที่ใจเราแก้ที่สมุทัยเท่านั้นแหละธรรมะนีมนมีแค่นี้เองแต่เราหลงประเด็นกันไปหลงเรื่องสีเรื่องทานเรื่องการ เห็นนั่นเห็นนี่จากการนั่งสมาธิสิ่งเหล่นี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนการเจริญสติสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นตัวสำคัญดันั้นเราต้องระวังรักษาศีลก็เพื่อที่จะได้ทำให้จิตใจเราไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวอย่าไปรักษาจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้หายใจไม่ได้กลัวหายใจเอาเชื่อโรคเข้าไปแล้วค่าเชื้อโรค ขับรถไม่ได้เดี๋ยวมแมลงวิ่งชนรถตายถึงนักวิ่งชนรถตายอย่างนี้มันเกินไปเรารักษาสิ่เพื่อรักษาใจไม่ให้วุ่นวายเพราะถ้าเราไปเบียดปียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจของเราจะวุ่นวายจะไม่สมบุบให้ทานก็อย่าไปหวัง่ะต้องได้นั่นได้นี่จากท่านนั้นท่านนี้ อ, องนั้น อ, องนี้ให้เพื่อที่จะ ละอุปทานละความตระหนีไม่ให้ยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อใจจะได้ไม่วิตกกังวลจะได้สงบเวลาภาวนาจะได้ไม่ต้องมาห่วงเราอยู่วัดจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเข้าของที่บ้านจะถูกขโมยหรือไม่ถ้าจะขโมยจะขึ้นบ้านก็ถือว่าเป็นการทำทานไป ีไม่ต้องขนของไปที่ว่ามีคนมาขนที่บ้านไปเลยไม่ต้องเหนื่อยจะได้ซื้อของใหม่มาใช้ไม่กลัวอะไรถ้าเรามีงานเหลือเฟือหรือถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ไม่จาเป็นจะต้องมีของพวกนี้อยู่แล้ว<ม>ในที่สุดเราก็ต้องยกให้คนอื่นไปอยู่ดีถ้าจิตสงบแล้วมันไม่อยากมีแล้วละ่ะธทรทัศนวิทยุ<อ><อ>เครื่องบันเทิงต่างๆเครื่องอานวยความสะกต่างๆทาง ตาผมจะหนุดพื้นกามันจะไม่สนใจมันอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายอยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติสติสมาธิปัญญาอยู่ที่การทําุให้ทานอยู่ที่การรักษาศีลทาให้เหมาะเหมาะกับประเภทของเขาทานก็ทําไปตามกำลังของเรา อย่าไปดูคนอื่นเขาทำมากแล้วเราไม่มีกำลังที่จะทำมากเหมือนเขาก็อย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปหาเงินมาเพื่อจะมาทำาให้ทานทำในส่วนที่เรามีส่วนที่เรามีเหลือมีเกินถ้าไม่มีแล้วก็จบไม่ต้องทำอย่างพระบวยแล้วก็ไม่ต้องทำทานะพระพุทธเจ้ายังไม่สอนทานสิงหอภาวนาะแก่พระ พระพุจะจะเจ้าสอนสิงสมาธิปัญญาแทนเวลาสอนพระท่ถอนไตสิกขาสิงสมาธิปัญญาเวลาสอนคารวะญาติโยมท่านต้องสอนทานสิงภาวนาเพราะญาติโยมมีทรัพย์มากมีสมบัติมากต้องสระทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นเป็นของทวงใจทวงความเจริญของจิตใจเหมือนเรือถ้ามีของ ต้องบรรทุกของหนักมากๆมันก็เพียนจะวิ่งชา้าและอาจจะล่มได้ถ้าน้ำเข้ามาถ้าเจอคลื่นใหญ่บรรทุกของหนักๆเรือก็จะรับน้ำขเข้าาได้ง่ายกว่าเรือที่เบาดังนั้นขอให้เราเจริญมากให้มากตามกำลังตามฐานะของเราทานศีลภาวนา คือสติสมาธิและปัญญาความไปแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่แค่เรื่องมือนี้เองอยู่ภายใน7ปีนี้อย่างแน่นอนเอาละนะขอพักก่อนมีใครมีปัญหาอะไรไหมมีใครมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมลนะ่ะคลิปหน้าไปถึงไหนนะ มันก็เคลดีก็อยากคิดต่อแต่ว่ามันก็ไม่คิดใชอย่างนั้นเองมันก็ล่วงลงไปเฉยๆมันก็สงสัยว่าเอ๊ะต้คิดดีๆทำไมคิดต้องคิดเองหยุดก็ไปอยู่ไดเองก็เราเกิดแค่ได้คําตอบแล้วเราเข้าไปถึงจิตแล้วคือใจเราใจเราไม่ชอบการกระทาของเขานั้นเราไม่ชอบก็คือเราไม่อยากให้กขาทําพอก็ทําแล้วก็โกรธ ถ้าเราไม่มีความไม่ชอบความไม่อยากให้เขาทำเขาทำยังไงเราก็ไม่โกรธนั้นก็ก็ตรงประเด็นกับที่วันนี้เทศเลยว่าเราอยากไปแก้ที่เขาเราต้องมาแก้ที่ใจเราแก้แก้ที่ความโกรธความโกรธเกิดจากความอยากอยากไม่ได้ดังใจก็โกรธอยากให้เขาดีแต่เขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขา เกิดได้คาตอบแล้วหยุดซะก่อนมาถึงใจแล้วยังไม่ได้สรุปมันย่ในเองแลก็เลยต่อหลังนต่อว่าที่ท่านอาจารย์สอนว่าเวลาที่ราสมาธิไปเรื่อยๆพอเริ่มคิดนก็คือคือดปัญญาสลับสมาธินกรับก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นเป็นวิธีปฏิบัติทนอารสอนก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปอ คือถ้าทำสมาธิก็ก็เอาสมาธิอย่างเดียวอย่าเอาปัญญามาเกี่ยวข้อต้องการให้สงบนิ่งให้นานที่สุดเวลาจิตสงบไม่คิดตรงแต่งก็อย่าอย่าอย่าเจริญปัญญาอย่าพิจารณาให้นิ่งให้นานที่สุดจนกว่าจะอิ่มตัวเล่าถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมารับรู้รูปเสียงกลิ่นโน้นแล้วมาคิดตรงแต่ง ตอนนั้นก็เอาความคิดตรงแต่นี้มาคิดทางปัญญาอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปืือยไม่มีเป้าหมายให้คิดพิจารณาอนิจจังทุกขังนาาักตาเพราะเป็นเวลาที่จิต เ, ออเป็นอุเบกขาแล้วก็กิเลสไม่มารบกวนไม่มาสร้างอารมณ์ปกติถ้าเราพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังนักตานี้ ถ้าไม่จิตใจไม่สงบมันจะพิจารณาไม่ได้เพราะใจจะเกิดความหดหู่หรือไม่ไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะพิจารณาความเสือ่อมความตายความพัดพจากกันแต่ถ้าออกจากสมาธิใหม่ๆนี้กิเลสเหมือนกับถูกตัดกำลังออกมากิเลสยังไม่มีกำลังที่จะมาสร้างอารมณ์ความเบื่อหน่ายความหดหู่เราก็สามารถพิจารณาความไม่เที่ยงความเสือ่อม ได้อย่างสบายไปในระยะหนึ่งจนกว่ากิเลสเริ่มมีกําลังมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมาสร้างอารมณ์ขัดขวางหรือดึงให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนตอนนั้นเราต้องรู้ ว, ว่าเราต้องหยุดพิจรณาแล้วเราก็ย้อนกลับมาทําสมาธิต่อไปทําอย่างนี้สลับกันไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการการทําที่ถูกต้อง ไม่ใช่พอจิตสงบปั๊บแล้วก็เริ่มพิจารณาเลยอันอย่างนี้ไม่ถูกเพราะจะไม่มีกำลังพิจารณาแล้วก็สมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่สงบว่างไม่มีอะไรให้เรารักรุมไม่มีนิมิตต่างๆเพราะถ้ามีนิมิตนี้ก็แสดงว่าใจเราไม่สงบเต็มที่ใจทำงานกิเลกก็จะทำงานจะเกิดความยินดีชอบนิมิตนึก เกิความยิงร้ายไม่ชอบเกิดถ้ายิ้ถ้าเป็นนิมิตที่ไม่ไม่ไม่สวยไม่งามไม่เป็นปาฏิหาก็จะไม่ชอบก็กิเลสก็ยังจะทํางานอยู่ก็จะไม่ได้ตัดกาลังของกิเลสเพราะจากสมาธิแบบนี้ก็จะไม่อยากพิจารณาทางปัญญาจะไม่อยากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ต้องระวังถ้ามีสมาธิแบบที่มีนิมิตต่างๆอย่าไปตามนิมิตให้ดึงกลับเข้ามาหาตัวรู้ผู้รู้ให้สักแต่ว่ารู้หรือให้กลับมาที่อารมณ์กรรมาฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้จะเป็นลมหายใจหรือเป็นการบริกรรมทุกทโธก็ได้แต่อย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆ ทำต่อไปแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบเต็มที่กลับมาภาวนาต่อปฏยกรรมต่อดูลงต่อจนกว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาพหยุดคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นให้นานที่สุดจนกว่าจะถอนออกมาสมาธิจะมีสองแบบสมากับมิจฉาสมาธิ มาสมาธิใจก็ต้องสงบว่าเป็นอุเบกขาจากนัว่ารู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมาพิจารณาก็ต้องพิจารณาไตรลักษ์อ น, น้จจทุกข์าันหน้าตากับเรื่องไหนก็ได้ที่ยังเป็นปัญหากับเราอยู่เรื่องไหนที่ยังสร้างความทุกข์ความวิตกกังวลให้กับเรา เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจนะเพื่อจะปลอบวางเพื่อจะได้ปลอบวางเขไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นข้าว้องต่างๆวัตถุต่างๆลาบยศและละเสริญสุทามตาหูจมูกนิ่งกายสิ่งเหนี้เราต้องพิจรารณาถ้าเรายังมีความผูกพันมีมีความกังวลวิตกกับสิ่งเนี้อยู่ ถ้าไม่มีแล้วเราก็พิจารณาเรื่องอื่นพิจารณาเรื่องที่ยังมีเช่นร่างกายของเรานี้เรายังกลัวความตายอยู่หรือเปล่าเรายังกลัวความเจ็บไข้ไม่ปวดหรือเป่ากลัวความเจ็บกลัวทุกขเขาไม่นาหรือเปล่าเราต้องพิจารณาแล้วเรายังมีอาการอารมณ์อยู่ในใจของเราหรือเปล่าเราเห็นคนนั้นคนนี้เรายังเกิดอาการอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่า พอเวลาเกิดการมาลงมันก็จะเกิดความทุกข์ใจความมีดีใจขึ้นมาเกิดความอยากจะเสกการมเราก็ต้องจเจริญสุภะพิจรารณาความไม่สวยไม่งามเจริญปฏิคูลความสะะุขปกของร่างกายที่เราไปหลงไหลคลั่งไครอยากจะเสกการมด้วยให้มองเฉพาส่วนที่ถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อ เห็นโครงกระดูกของเขาหรือเปล่าเห็นตับไตไส้พุงของเขาหรือเปล่าเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นม้ามหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่เมืองๆพอเวลาเราเห็นภาพของของคนที่สวยงามแล้วเกิดอารมณ์เราจะได้มียามาดับความรู้สึกนี้พอเรานึกถึงโครงกระดูกนึกถึงตับไตไส้พุง นึกถึงสภาพที่เวลาเขาเป็นเป็นซากศพไปแล้วเพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจารณาไปวูหน้าก่อนพอเห็นแล้วมันจะนึกแต่ภาพสวยๆอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ใจมันจําได้เอามาคิดติดตาติดใจอยู่ตลอดเวลาทําให่อยากจะเห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขา แต่ถ้าเราเอาอ ส, สุภะมาม า, มาแก้ปั๊บเดียวมันก็จะหายไปมันก็จะจบไปต้องทาไปจนกว่าไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นมองทีไรก็ทีนี้ก็จะมองแบบเฉยเฉยเมื่อหายจากโรคแล้วยาก็ไม่ต้องรับประทานเมื่อไม่มีการอารมณ์แล้วอ ส, สุภะก็ไม่ต้องเจริญต่อไป กรรมฐานหรือปัญญานี้เป็นยาเป็นยามาแก้แก้ตัญหาแก้ความหลงพ อ, อแก้ได้หมดแล้วปัญญาก็หมดงานไม่ต้องทำพราะพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกท่านไม่ต้องจเจริญใจรักอะไ่าไม่ต้องพิจารณาอสุภะอสุพันธ์เพราะไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น มองอะไรก็สักแต่ว่ามองสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นร่างกายก็ไม่เคยคิดว่าจะกลัวตายหรือจะกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายที่สวยงามก็เฉยเฉยสวยก็สวยแค่ภายนอกรู้อยู่ว่าข้างในมันเป็นยังไงดังนั้นเมื่อปัญหาหมดแล้วยาที่ เครื่องมือรยาที่มาแก้ปัญหามันก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้ากับของพ้าอาหารนี้ไม่ได้เป็นการเดินเพื่อเดินหรือนั่งเพื่อดับกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสแต่ท่านบอกเป็นวิหารธรรมเป็นการอยู่ระวังขนากับจิตให้อยู่กันอย่างพอดีพอควร ฐานกับจิตก็ต้องมีเวลาพักบ้างเพื่พักในสมาธิร่างกายก็ต้องมีการเปลี่ยนอุปัฏฐบยเดินจงกลมออกกำลังกายเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อจะได้มีอายุยืนยาวไปตามอายุไขไม่ตายก่อนไปแต่ถ้าไม่ได้เดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อที่จะ ดับกิเลสเพื่อจเจริญมรรคผลนิพพานนะเพราะทําได้หมดแล้วมรรคผลนิพพานกิเลสได้ถูกทําลายหมดแล้วภูติตังบ ร, รมเจ้าเลี้ยงแล้วกิณในกิณในภพภิจารณ์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิณอื่นที่จะต้องทําอีกต่อไปนอกจากจิตเพื่อที่สงเคราะห์โลกเท่านั้นไม่ว่าจะด้วยทางทางหรือด้วยทางวัตถุก็ขึ้นอยู่กับ สถานภาพอยู่กับเหตุการณ์ถ้ามีวัตถุมากมีศรัทธาญาิโยนนามาถวายมากก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อันตามสมควรต่อกรณีการวามเหมาะสมถ้าไม่มีวัตถุมีธรรมะก็อบรมสั่งสอนไปอนัางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินตลอดสี่สิบห้าพันษาหลังจากที่ทรงตัดสรุแล้ว ทรงมีพุท ธ, ธกิจอยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งในตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนค่ำก็อบรมสั่งสอนพระเในตอนเด็กก็อบรมสั่งสอนเทวดาในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ทรงในงยานว่าควรจะไปโปรดผู้ใดก่อนในวันนั้นเสร็จแล้วก็ทรงออกบินทบาทโปรดใส่ นี่คือกิจที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทุกวันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตยกเว้นในวันที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทรงออกบิณฑบาตได้หรือทรงไม่สามารถ อ, อบรมสั่งสอนได้ก็ต้องระนับไปเ้ื่อจากเหตุของการอ า, าพาฒนของสังขารร่างกายนี่คืองานของผู้ที่เสร็จกิจขั้นตอนแล้ว ผู้ที่ต่างๆมาเจาหรือย่างแล้วท่านทําเกตเพียงครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อตนทาเพื่อผู้อื่นไม่ได้รับอะไรจากการกระทำเหล่านี้เพราะใจนี้เต็มแล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความสุขก็ปรมาหมายสุขขั้งอยู่นล้วทุกข์ก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วทําไปนี้ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลาบสักกาละต่างๆที่คนกขานามาถวาย ในสายตาของคนมี ก, ก, มกิเลส ก, ก็คิดว่าทำเพื่อราบสการะทำเพื่อรับเข้าของเงินทองต่างๆบางคนก็ตั้งยครูบาจัยว่าอยากจะเป็นสังฆราชมันเขาคิดเขาพูดจากใจที่สุขปกของเขาใจของเขาคิดอย่างนั้นเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นพอเห็นคนอื่นทำอย่างนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นอย่า ง, างที่เขาคิด เพราะเขาไม่เคยรู้จักคําว่าโดยสุดใจเป็นอย่างไรการกระทําโดยไม่มีความโลภความอยากความต้องการว่าเป็นอย่างไรเขาไม่เคยมีเพราะมีแต่ทําทุกอย่างเพื่อความอยากของเขาเท่านั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของผู้ที่สะอาดบริสุทธิกับใจของผู้ที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ แล้วการแสดงออกมาเนี่ยก็จะเห็นกันจะรู้กันทันทีไม่ต้องถามกันพอใครแสดงอะไรออกมาเนี่จะรู้ว่าว่าเป็น ย, ยังไงยังะเจะจะพูดหรือไม่พูดทันนั้นเองเอาละนะถวายข้าวของกัน ที่ปฏิบัติเนี่ยสถานที่ที่มีมีส่วนแตกต่างกันไคะอย่างเช่นเราปฏิบัติแล้วเราไปไป น, นอนที่เมงอย่างเงี้ย น, นะคะกับที่ที่อาจจะเป็นระเบียนโบนหรือเราปฏิบัติอะไรเนามีมีส่วนมากท่านถึงเรียกว่าสัพพายะเนี่ยสัพพายะก็คือเอื้อสบายต่อการการบําเพ็ญถ้ า, ถาเช่นไปนั่งสมาธิที่สี่แยกไฟแดง <c oughs> กลับไปนั่งที่ใดป่านี่มันต่างกัน นี่ยกตัวอย่างแบบสุด ๆ, ๆให้เห็นนะฮะแล้วบางทีเราต้องการสถานที่บางอย่างเพื่อทดสอบใจเราเช่นความกลัวอย่างนี้ถ้าเราต้องการปราบความกลัวเราก็ต้องไปหาที่ที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเพเราจะได้หาธรรมะมาม า, มาปราบความกลัวถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยความกลัวมันก็ไม่ออกมาอย่างเวลาที่เราอยู่ที่เมรัยนะคะเพราะวันแกเนี่ยมันก็จะปวดศีรษะ อพอเราแ็่เมตตาไปในนที่สามก็มีผลเ ก, กมอมก็มีส่วนเพราะว่าจิตเราอาจจะมีอุปทานรุงแต่งเวลาเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้เกิดความกลัวแล้วก็จะกระทบต่อร่างกายของเราปวดศีรษะปวดท้องปวดอะไรไปต่า ง, ง, ง, งๆนานาได้แต่พอเราแก้ด้วยการแผ่เมตตา ความเครีรยดของเราก็หายไปความกลัวของเราก็หายไปเขาไม่ได้เกี่ยวกับว่าวิญญาณที่อยู่บริเวณ น, นั้นคงไม่เกี่ยวนะคงอาจจะไม่เราอ่อนเียรติคงจะไม่มีหรอกคงจะไม่มีหรอกนั่นเป็นอุประทานวิญญาณใ <c oughs> ครก็จะไปอยู่ทางนั้นหาเรื่องอะไร <c oughs> เขาก็ต้องไปรับผลบุญของเขาผลบาปของเขาแล้ว <c oughs> นอกจากเขามีความผูกพันกับสถานที่นั้นซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใครมีความผูกพันกับสถานที่นั้นหรอก ไปเพราะความจำเป็นไปเพาจะต้องถูกเผาแต่ตัวเขาไม่ได้ไปแล้วละ่ะไปแต่ซากเขาตัวเขาก็ไปแล้วไปถึงไหนแล้วไปพบไหนแล้วก็ไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงไม่หรอกสาม่ประเวนสีเขาก็ เ, เ, ขากเขาก็ไปตามตามสภาพของเขาเพราะพวกนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนพวกที่ออกจากโนรโกมา เหมือนเป็นพวกที่ถูกปล่อยออกจากคุกเขาก็ไม่มีที่พึ่งเขาก็ต้องไปหาคนที่เขารู้จักไปเข้าฝันไปเข้าฝันกับคนที่เขารู้จักไปขอส่วนบุญจากเขาแต่ถ้าเขาไม่รู้จักใครไม่รู้ว่าคนที่รู้จักอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องก็เป็นเหมือนขอทานข้างถนนสเปสะส ป, ปะไปรอให้จนกว่าจะหมดหมดกรรมของเขาเราจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรต่อไปถี่ถือว่าถ้าเกิดว่า คือถ้าเราต้องการที่จะปราบความกลัวเช่นกลัวผีกลัวตายหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปหาที่ที่มันทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาหรืออีกอย่างก็คือแก้ความง่วงนอนได้ถ้าเราง่วงเหงาเหานอนเราก็ไปหาที่มันน่ากลัวแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงแต่ถ้าเราอยู่ไปแทรกระยะนังแล้วบางทีความกลัวมันหายไปความง่วงกลับเข้ามาเราก็ต้องเปลี่ยนที่ใหม่ ต้องหาที่ที่มันทำให้เราไม่ง่วงเพื่อเราจะได้นั่งสมาธิแล้วไม่หลับกระจายนะก็จะให้พร